เจริญพรท่า น, นสาธุชนพุทธรอยสัว์อุบาศกอุ้บาสิกาผู้ใฝ่ธรรมทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันสุขที่28พฤษภาคมพุทธศักราช2553เป็นวันสำคัญอย่างยิ่งของพระพุทธศาสนาคือเป็นวันวิสาขาบูชา วันนำรึกแห่งการตระสูต้ตัดสรุ้แล ะ, สะเสด็จดับขันธ์เทพบรรลิพัน์ของพระบรมศาสดาพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พวกเราทุกคนมีความเคารพนับถือเลื่อมใสเพราะพระองค์เป็นผู้ที่ประเสริฐยิ่งกว่ามนุษย์ทั้งหมดเพราะไม่มีใคร ที่จะสามารถประพฤติปฏิบัติตนจนหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้หลุดพ้นจากอำนาจของกิเลสตัณหาคือความโลภความโกรธความหลงได้เพราะพระองค์ทรงมีพระปัญญาอันแก่กล้าที่สามารถ เห็นทะลุไมเหมอกแห่งความมืดบอดของความหลงที่ปกปิดจิตใจทำให้เห็นผิดเป็นช่อบเห็นกลงจากเป็นดอกบัวเห็นการเวียนว่ายตายเกิดว่าเป็นสิ่งธรรมดาไม่ใช่เป็นสิ่งที่ควรที่จะตัดขาดมีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียว ที่ทรงเห็นโทษของการเกิดเพราะเมื่อเกิดมาแล้วจะต้องแก่จะต้องเจ็บจะต้องตายเมื่อตายแล้วก็ต้องกลับมาเกิดใหม่เพราะเหตุที่ทำให้เกิดก็คือความโลภความโกรธความหลงเพราะพุทธเจ้าจึงปฏิบัติเพื่อที่จะกำจัดความโลภความโกรธความหลงให้หมดสิ้นจากพระทัยของพระองค์ เมื่อได้กำจัดหมดสิ้นแล้วพระไทยของพระ อ, องค์ก็สะอาดบริสุทธิ์เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาเป็นผู้ที่ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปเป็นผู้ที่หลุดพ้นจากความทุกข์อย่างถาวรหลังจากนั้นพระ อ, องค์ก็ทรงนำเอาความรู้นี้มาเผยแผ่สั่งสอนแก่สารโลกพระ อ, องค์จึงเปรียบเหมือนกับ พระอาทิตย์เพราะถ้าโลกนี้ไม่มีพระอาทิตย์โลกนี้ก็จะมืดอยู่ตลอดเวลาจะไม่สามารถเห็นอะไรได้จะไม่สามารถทำอะไรที่เกิดคุณเกิดประโยชน์ได้แต่พอมีพระอาทิตย์ปรากฏขึ้นมา <c oughs> ก็มีแสงสวา่างที่ทำให้สัตว์โลกเห็นสิ่งต่างๆ และสามารถทําอะไรที่เกิดคุณเกิดประโยชน์กับชีวิตของตนได้อย่างที่พวกเราทุกคนต้องอาศัยพระอาทิตย์ถ้าวันใดไม่มีพระอาทิตย์แล้ววันนั้นชีวิตของพวกเราก็จะหมดสิ้นไปฉันใดพระพุทธเจ้าก็เป็นเหมือนพระอาทิตย์ของดวงจิตดวงใจดวงจิตดวงใจของพวกเรา ก่อนที่จะมีพระพุทธเจ้ามาตัดสรูปมาประกาศก็ทําคําสอนก็เป็นเหมือนดวงจิตที่มีแต่ความมืดบอดไม่สามารถรู้ได้ถึงเรื่องของบุญเรื่องของบาเรื่องของนรกเรื่องของสวรรค์เรื่องของกรรมเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดและเรื่องของการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด ถ้าเราไม่มีแสงสว่างแห่งธรรมของพระพุทธเจ้ามาฉายแสงในใจของพวกเราพวกเราก็จะวนเวียนอยู่กับการทำบาปทำกรรมวนเวียนกับการเวียนว่ายตายเกิดไปไม่รู้จักจบจากสิ้นเพราะเราจะเห็นว่าการทำบาปนี้ไม่มีไม่มีผลตามมา เราจะเห็นว่าความโลภความโกรธความหลงเป็นธรรมชาติของพวกเราเป็นธรรมดาที่พวกเราทุกคนต้องโลภต้องโกรธต้องหลงกันแต่เราหารู้ไหมว่าความโลภความโกรธความหลงนี้เป็นเหมือนกับเชื้อโรคที่จะสร้างโรคภัยต่างๆให้แก่จิตใจของเราเช่นโรคของความเครียดของความวิตกกังวลของความหวาดกลัวของความ ไม่สบายอกไม่สบายใจว้าวุ่นขุ่นมัวโรคเหล่านี้เป็นผลของความโลภความโกรธความหลงมีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่เห็นโทษของความโลภความโกรธความหลงจึงได้ชำระความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปจากจิตจากใจกลายเป็นจิตที่บริสุทธิ์เป็นจิตที่มีแต่ความสุขตลอดเวลา ไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่ใดเวลาใดในสภาพใดจิตใจที่สะอาดบริสุทธินี้จะมีความสุขตลอดเวลาแม้เวลาที่เจ็บไข้ได้ป่วยหรือเวลาที่จะตายไปจิตใจที่สะอาดบริสุทธินี้ก็จะไม่ทุกข์ไปกับความเจ็บไข้ได้ป่วยจะไม่ทุกข์ไปกับความตายนี่คือ ความประเสริฐของการชำระจิตใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์เพราะจะทำให้เรามีความสุขไปตลอดและเราไม่ต้องไปหาอะไรมาให้ความสุขกับเราเหมือนกับที่พวกเรากำลังทำกันอยู่ทุกวันนี้เรากำลังถูกความหลงหลอกให้ออกไปหาความสุขชนิดต่างๆความสุขที่ได้จากเงินทองคือลาบ ความสุขที่ได้จากยศถาบรรดาศักดิ์ความสุขที่ได้จากการสรรเสริญเยือนยอความสุขจากการที่ได้เสบ ร, รูปเสียงกลิ่นรสผลิ ภ, ภัชนิดต่างๆนี่คือความสุขที่พวกเราทุกวันนี้แสวงหากันแต่หามาได้มากน้อยเพียงไรก็ไม่สามารถกำจัดความทุกข์ที่ติดมาด้วยแต่กลับทำให้มีความทุกข์เพิ่มมากขึ้นไป เวลามีอะไรแล้วก็ต้องมาทุกข์ด้วยความหวงทุกข์ด้วยความโกงทุกข์ด้วยความเสียใจเศร้าโศกเวลาที่สิ่งที่ได้มานั้นสูญหายไปหรือจากเราไปสิ่งเหล่านี้พวกเราไม่เคยคิดกันเราเพียงคิดแต่ด้านบวกอย่างเดียวคือคิดว่าได้มาแล้วจะมีความสุข เห็นอะไรที่ชอบอกชอบใจก็คิดว่าได้มาแล้วจะมีความสุขแต่ไม่เคยคิดถึงความทุกข์ที่ตามมาเพราะถ้าเราชอบอะไรเราก็อยากจะให้สิ่งที่เราชอบอยู่กับเราไปนานเราก็จะมีความหวงแหนมีความห่วงใหญ่แต่เราก็ไม่สามารถที่จะไปห้ามไม่ให้สิ่งที่เรารักเราชอบจากเราไปได้ เพราะโดยธรรมชาติของสิ่งต่างๆที่เรารักเราชอบนี้อยู่ภายใต้กฎของความไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นสิ่งที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปเสมอทุกสิ่งทุกอย่างไม่คนเส้นค ง, งวามีการเจริญเติบโตแล้วก็จะมีการเสื่อมลงไปเช่นร่างกายเป็นต้นไม่ว่าจะเป็นร่างกายของเราก็ดี ร่างกายของคนที่เรารับที่เราเคารพก็ดีเขาก็ต้องมีการเจริญแล้วเขาก็มีการเสือ่อมคือมีการแก่ชราแล้วก็มีการเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วในที่สุดก็มีการตายไปนี่คือสิ่งต่างๆที่พวกเราฝากความสุขเอาไว้พอมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาความสุขที่เรา ได้จากสิ่งต่างๆหรือบุคคลต่าง ๆ, ๆเหล่านั้นก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาเพราะเราขาดแสงสว่างแห่งธรรมขาดปัญญาความฉลาดที่จะมองเห็นว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ล้วนเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นความสุขไม่เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นพระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ เป็นความทุกข์พระองค์จึงทรงสละออกบวชคอยเป็นราชโอรสอยู่ในราชโองมีความสุขจากลาบยศสารเสริญสุขแต่กลับทรงเห็นว่าเป็นความทุกข์มากกว่าความสุขเพราะจะต้องคอยดูแลรักษาจะต้องคอยปกป้องและจะต้องสูญเสียไปในที่สุด ไม่ว่าจะดูแลรักษาได้ดีขนาดไหนก็ตามแต่เมื่อถึงเวลาก็จะต้องมีการจากกันเป็นธรรมดาพราะองค์จึงทรงสละความสุขเหล่านี้ไปแล้วก็ทรงออกสแสวงหาความสุขที่เกิดจากการชำระความโลภความโกรธความโง่ที่มีอยู่ในพระทัยของพระองค์ด้วยการรักษาศีล ด้วยการปฏิบัติธรรมจเจริญจิตตภาวนาคือสมถะภาวนาและวิปัสนาภาวนาสมถะแปลว่าความสงบวิปัสนาแปลว่าความรู้แจ้งเห็นจริงทำจิตใจให้สงบเพราะความสงบจะทำให้จิตใจมีความสมุขแต่ความสงบนั้นไม่สามารถที่จะชาระความโลภความโกรธ ความหลงได้อย่างถาวรเพียงแต่ทำให้ความโลภความโกรธความหลงนี้หยุดหยุดทำงานชั่วคราวเหมือนกับเอาหินไปทับหญ้าเวลาเอาหินไปทับหญ้าหญ้าก็ไม่สามารถงอกขึ้นมาได้แต่พอเอาหินออกจากหญ้าไม่กี่วันหญ้าก็จะงอกกลับขึ้นมาได้ใหม่ สันใดการทำสมถภาวนาหรือทำจิตให้สงบนั้นจะทำให้ความโลภความโกรธความหลงนี้หยุดทำงานชั่วคราวในขณะที่จิตอยู่ในความสงบแต่พอจิตออกมาจากความสงบแล้วก็ออกมารับรู้เรื่องเสียงกลิ่นรสต่างๆทิเลนคือความโลภความหลงก็จะออกมาทำงาน เห็นอะไรก็เกิดความรักเกิดความชังขึ้นมาได้ยินอะไรก็เกิดความรักเกิดความชังขึ้นมาแสดงว่ายังมีกิเลสอยู่ความรักก็คือความโลภนี่เองความชังก็คือความโกรธความเกลียดถ้าเรายังมีความรักความชอบความชังอยู่แสดงว่าเรายังมีกิเลสอยู่เมื่อเรามีกิเลสเราก็ยังจะต้องมีความทุกข์อยู่ เพราะเวลาเราเกิดความชอบขึ้นมาเราก็ต้องขวนขวายดิ้นรนหาสิ่งที่เราชอบมาไว้ครอบครองเวลาที่เราไม่ชอบอะไรเราก็ต้องดิ้นรนหนีให้ได้เช่นเวลาเราเจอกับเหตุการณ์ที่เราไม่ชอบเราก็ต้องพยายามตะเกียกตะกายหนีออกจากเหตุการณ์นั้น ส่วนเวลาที่เราอยากจะไปเข้าไปในเหตุการณ์ที่เราชอบเราก็ต้องหาวิธีเข้าไปเช่นเราอยากจะดูภาพยนตร์เราก็ต้องหาเงินหาทองเพื่อที่เราจะได้เข้าไปหาเงินไปหาความสุขจากการดูภาพยนตร์ถ้าเราไปติดทุกติดตารางเราก็ต้องดินน่งนนหาวิธีออกจากคุกออกจากตารางให้ได้เพราะใจของเรายังมีความหลง ยังไม่เห็นว่าสิ่งที่เราชอบและสิ่งที่เราชังนี้เป็นสิ่งที่เป็นธรรมดาเขาไม่ดีเขาไม่ชั่วแต่อย่างใดแต่เราไปไปชอบไปเกลียดเขาเองถ้าเราไม่ชอบไม่เกลียดเขาแล้วเราจะไม่เดือดร้อนเวลามีภาพยนตร์ดีมาฉายเราก็ไม่ต้องดิ้นรนหาเงินไปซื้อตัว๋วเพื่อไปดูภาพยนตร์ เวลาที่เราไปติดคุกติดตารางเราก็ไม่ต้องดิ้นลนออกจากคุกถ้าจิตของเรามีความสงบเราจะไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไรมองไปในแง่ดีก็จะเห็นว่ามีบ้านอยู่ฟรีมีคนหาอาหารมาเลี้ยงอยู่ไม่ต้องไปทำมาหากินถ้าเรามองในแบบนี้การติดคุกติดตารางก็ไม่ได้เป็นเรื่องทุกข์อย่างไรแต่พวกเราไม่ได้มองกันอย่างนั้น เพราะเรามีความชอบและมีความชังในสิ่งต่างๆแต่ถ้าเราทำจิตของเราให้สงบแล้วความชอบและความชังนี้จะหายไปเราจะรับได้ทุกรูปแบบดีก็ได้ชั่วก็ได้ร้อนก็ได้หนาวก็ได้อยู่ก็ได้ตายก็ได้ไม่สาคัญอะไรเพราะใจไม่ได้เป็นอะไรกับสิ่งต่างๆใจเป็นเพียงแต่ผู้รับรู้สิ่งต่างๆที่มา สัมผัสเท่านั้นเองแต่ใจไม่ได้ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นใจอยู่ได้ในทุกสภาพถ้าใจมีความสงบเวลาใจสงบแล้วใจก็จะไม่มีการดิ้นรนไม่มีการต่อสู้ไม่มีการขัดขืนไม่การไม่มีการวิ่งเข้าหาสิ่งต่างๆใจจะอยู่เป็นกลางเหมือนรถที่อยู่ในเกียร ว, ว่าง จะไม่เดินหน้าไม่ถอยหลังเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับใจคือใจที่ว่างจากความโลภความโกรธความหลงนี้เองเพราะโดยธรรมชาติของใจนี้ใจจะมีความสุขต่อเมื่อใจนิ่งสงบไม่โลภไม่โกรธ ไ, ไม่หลงนี่จึงเป็นงานที่พวกเราควรที่จะสนใจทำกันคือชำระ ความโลภความโกรธความหลงตามวิธีที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้พวกเรากระทำกันเริ่มต้นก็ส่งสอนให้เราทำบุญให้ทานอย่างที่เรามาทำกันในวันนี้ก็เป็นการชําระความโลภช ะ, ะชําระความหลงเพราะเราเราหลงยึดติดอยู่กับสิ่งของต่างๆท่านก็ส่งสอนให้เราสละไปอย่าไปยึดอย่าไปติด มันไม่ได้เป็นความสุขมันเป็นความทุกข์เพราะเวลามีก็ต้องคอยดูแลรักษาเวลาสูญหายไปก็เสียอกเสียใจเช่นสมมุติเงินที่ญาติโยมนำเอาไปซื้อข้าวของในวันนี้มาถวายพระถ้าโยมไม่ได้ตั้งใจเอามาถวายพระแล้วเกิดหายไปโยมจะมีความรู้สึกเสียใจแต่ถ้าโยมตั้งใจจะเอาข้าวของ เอาเงินนี้ไปซื้อข้าวของมาถวายพระหมดเงินก้อนนี้ไปแต่ไม่มีความเสียใจกลับมีความดีใจมีความสุขใจเพราะมีความตั้งใจที่จะเสียเงินก้อนนี้คือไม่ยึดไม่ติดกับเงินก้อนนี้นี่เป็นการชำระความโลภเพราะเมื่อเราให้ไปแล้วเรามีความรู้สึกอิ่มเอิบใจเราจะไม่หิวไม่อยากจะได้ สิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่เหมือนกับเอางเงินที่เราจะมาซื้อของถวายพระนี่ไปซื้อของที่เราอยากได้เช่นไปซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่พอเราซื้อได้มาชุดหนึ่งแล้วเดี๋ยวอีกสองสามวันเราก็อยากจะได้ชุดใหม่อีกมันไม่ได้กำจัดความโลภแต่มันเป็นการเพิ่มความิลมความโลภความอยากให้มีมากขึ้นไปแต่ถ้าเราเอามาทาบุญแล้ว เราก็จะไม่คิดอยากที่จะไปซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่มาเราจะเห็นว่าเสื้อผ้าที่เรามีอยู่ก็พอพอเพียงแล้วถ้าจะซื้อก็ต่อเมื่อมีความจําเป็นจริงๆนี่คือการกําจัดความโลภสร้างความสุขสร้างความหิ่งให้ด้วยการให้ทานแล้วก็รักษาศีลเพราะการรักษาศีลจะทําให้จิตใจของเราไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนไม่กังวล ไม่เหมือนกับเวลาที่เราไม่รักษาศีลเวลาเราทําบาปทำำํากรรมใจของเราจะรู้สึกไม่สบายอกไม่สบายใจมีความทุกข์มีความเดือดร้อนใจดังนั้นเราจึงต้องรักษาศีลกันทําบุญให้ทานกันแล้วก็มาทํา <c oughs> สมถภาวนาคือนั่งสมาธิทําจิตใจของเราให้สงบด้วยการกําหนดควบคุมจิตใจของเรา ไม่ให้ไปคิดเรื่องราวต่างๆให้ผูกไว้กับบทสวดมนต์ก็ได้หรือให้ผูกไว้กับคำบริกรรมพุทธโธพุทโ ธ, โธโก็ได้ใจของเราเป็นเหมือนเรือถ้าเราจอดเรือไว้แล้วไม่ผูกไว้กับท่าน้ำไม่ผูกไว้กับเสาเดี๋ยวเรือก็จะไหลไปตามกระแสน้ำเรือจะไม่นิ่งใจของเราก็มีกระแสอยู่ในใจคือมีอารมณ์ความคิดต่างๆ ถ้าเราไม่ผูกไว้กับพุทโธไม่ผูกไว้กับการสวดมนต์ใจของเราก็จะไหลไปตามความคิดต่างๆใจของเราก็จะไม่สงบจะฟุ้งซ่านจะมีความทุกข์มีความเครียดเกิดขึ้นมาแต่ถ้าเราผูกใจของเราไว้กับการสวดมนต์หรือกับบาการบริกรรมพุทโธพุทโธใจของเราก็จะนิ่งเหมือนเรือที่จอดอยู่ กับท่าน้ำจะไม่ไหลไปจากท่าน้ำใจของเรานิ่งก็จะสงบพอสงบก็จะมีความสุขจะมีความอิ่มจะไม่มีความหิวความอยากกับสิ่งต่างๆแต่มันจะสงบได้ชั่วคราวแล้วพอออกจากความสงบความหิวความอยากก็จะเกิดขึ้นมาใหม่เราก็ต้องใช้วิปัสสนาคือความจริงมาสอนใจว่า สิ่งต่างๆที่เราอยากได้นี้มันไม่ได้ให้ความสุขกับเราอย่างแท้จริงแต่มันกลับจะให้ความทุกข์กับเราเพิ่มมากขึ้นยกตัวอย่างเวลาเราอยู่คนเดียวเราไม่ต้องมามีความทุกข์กับคนอื่นแต่พอเรามีสามีมีภรรยามีครอบครัวมีลูกเราก็จะต้อง ม, มีความทุกข์กับสามีกับภรรยากับลูก มีอะไรก็จะมีความทุกข์เพิ่มขึ้นมามีสมบัติเข้าของเงินทองก็จะมีความทุกข์เพิ่มขึ้นมาเพระพุทธเจ้าจึงทําตรงกันข้ามกับพวกเรากันแทนที่จะสะสมทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองพระองค์กับสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเพราะรู้ว่ามันไม่ได้เป็นความสุขมันเป็นความทุกข์มากกว่าเป็นความสุข พระพุทธเจ้าจึงสละราชสมบัติแล้วออกไปอยู่แบบขอทานอยู่แบบตามมีตามเกิดแต่ใจของพระ อ, องค์กับมีความสุขอยู่ตลอดเวลาเพราะไม่มีอะไรที่จะต้องห่วงที่จะต้องหวงที่จะต้องเสียเสียดายเวลาที่สูญเสียไปนี่แหละคือสิ่งที่พวกเราควรที่จะแสวงหากัน คือความสุขภายในใจความสุขที่เกิดจากความสงบนับของกิเลสตัณหาของความโลภความโกรธความหลงที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติมาแล้วนำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พวกเราพระพุทธเจ้าประเสริฐเพราะความสะอาดบริสุทธิ์ผู้ที่มีความสะอาดบริสุทธิ์ในจิตใจนี่แหละเป็นผู้ประเสริฐจริงเพราะจะเป็นผู้ที่ตั้งอยู่ในความสงบ จะไม่เบียดเบียนผู้อื่นจะไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นจะมีแต่ทําคุณทําประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นโดยถ่ายเดียวมีพระพุทธเจ้าของเราเป็นตัวอย่างพระองค์ทรงทําประโยชน์ให้แก่โลกถึง45ปีด้วยกันสั่งสอนสามโลกให้ได้พบกับความสุขที่มหัศจรรย์ความสุขที่ถาวรความสุขที่แท้จริงและ มีสาวกปรากฏขึ้นมาเป็นจำนวนมากและพระสาวกเหล่านี้ก็ช่วยทำหน้าที่ต่อสั่งสอนของเอาคาสอนของพระพุทธเจ้ามาสั่งสอนต่อมาจนถึงปัจจุบันนี้พวกเราจึงได้มีโอกาสได้ยินได้ฟังเรื่องของความสุขที่แท้จริงนี้ที่เราจะไม่มีโอกาสได้ฟังเลยถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัด มาประสูตมาตัดสรุ้มาสั่งสอนธรรมะให้แก่พวกเราวันนี้จึงเป็นวันสำคัญเพราะเป็นวันที่เราได้มีโอกาสลํำลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าและลํำลึกถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าลํำลึกถึงพระส า, สาวกทั้งหลายของพระพุทธเจ้าที่ได้ทำหน้าที่แทนพระพุทธเจ้า เผยแผ่คำสอนมาให้แก่พวกเราพวกเราจึงควรน้อมเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้ามาสู่ใจของเราด้วยการปฏิบัติบูชาคือปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าปฏิบัติตามแบบฉบับของพระพุทธเจ้าเพื่อประโยชน์สุขที่จะเกิดขึ้นแก่พวกเราต่อไป จึงขอฝากเรื่องของการมาบำเพ็ญบุญกุศลในวันวิสาขบูชานี้ให้ท่านได้นำเอาไปพิจิตพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุดที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศีีรัตนไตร